สอนของหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโนเรื่องความรู้สึกตัวบรรยายนะที่สาลาไก่เมื่อวันที่26สิงหาคมพศ2539จัดทาเผยแพร่โดยสำนักปฏิบัติวิปัสนาแพร่แสงเทียนตำบลแม่ยางห่ออำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ขอเชิญท่านรับฟังได้นะบัดนี้ ฟังทุกวันทุกวันแล้วก็ฟังเสียงตัวอื่นบ้างฟังเสียงตัวเองบ้างโดยเพราะการเจริญสติบางทีมันเหมือนกับการฟังธรรมคมรู้สึกตัวมัน ทำให้เกิดอยู่เสมออะไรผิดอะไรผิดรู้รู้เห็นตัวเองอยู่ทำไมเกิดสามุริทุกทำไมเกิดปกติทำไมเกิดศีลทำไมเกิดสมาธิทำไมเกิดปัญญาเพราะสติเพราะความรู้สึกตัวเนี่ยเราก็พยายามที่จะ ใ ห, ให้ความรู้สึกตัวง่ายๆอย่าให้มันเป็นเรื่องยุ่งยากความรู้สึกตัวต้องก่อนต้องง่ายที่สุดความหลงต้องให้ยา ก, ยากหน่อยต่อลองดูเช่นเราจะลุกนะเรานั่งอยู่เราจะลุกอพรอย่าให้ง่ายที่จะลุกอย่าให้ง่ายที่จะหลงบางทีลุกเพราะความหลง พอเดินอยู่มันจะนั่งอยาให้มันนั่งเพราะความหลงมันจะนอนจะลุกขึ้นพออยายามความหลงมันง่ายให้มีสติบางทีความหลงง่ายแสีความรู้สึกตัวก็เพียรพยายามที่จะเปลี่ยนไม่ว่าเป็นปัจจัยเป็นนิสัย การที่จะขอนิตใสการที่จะเปลี่ยนนิตใสตัวเองก็คืออันนี้หละไม่ใช่ไปขอกับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ให้ไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ให้ไม่ได้แต่เราต้องรู้ต้องดูตัวเองให้ไม่นิตใสบางทีสมัยก่อนนักปวดตั้งโคตรตั้งเชื่อตัอ้งวันนะ บางทีก็ไปซะทางนั้นซะเราก็กหมนกันบางทีก็อ้างต่างนิใสใยเคยเป็นหมอเคยเป็นคนดีเคยเป็นคนเลวอะไรก็มาี่าอ่างกันนั้นกันเนิสายไปวัดไปเบียนไปเปรียบเทียบ บันทีก็เอาวัตถุเอาการเวลาเอาบรรยากาศเอาบุคคลเอาสถานที่มาวัดเอาความชอบความไม่ชอบไปวัดจะากไปทำไม่ให้มีละชิ้นลานั่นนะนั่งลงก็ลูกทันทีลุกขึ้นก็ลูกทันทีไปเลยแต่ไปไหนมาไหนก็ยนพยายามที่จะลูกทันทีให้ลูกง่ายๆเข้าถึงตัวลูกให้ง่ายที่สุดให้เป็นเรื่องของความสะ ด, ดวก การอุปโภคบริโภคการจินการฉันในง่ายความง่ายความรู้สึกเป็นจลิตนิสัยเนี่ยทให้เจริญงอกงามในการประพฤติปฏิบัติในธรรมถ้ามีขั้นตอนจะเยอะบางก็เข้าไม่ถึงง่ายบางกัน จาเรื่องของโลกสมมติเรื่องของโลกเจอนี้น ะ, ะนมของกรมการศาสนาจนจะงบประมาณปลายปียังไม่ได้จนตายปีละปลายปลายปีงบประมาณแล้วมันติดขั้นตอนเลยถามดูตามระเบียบตามระเบียบของการราชการ นมจะต้องให้ใครซื้อให้จังหวัดซื้อพอจังหวัดซื้อก็ต้องประเมินต้องประเมินซองให้ผู้เมาให้จะเป็นคนซื้อหาบริษัทที่มารับประกวดราคาบางทีก็รับไปแล้วเขาก็คืนต้องประชุมใหม่ประเมินใหม่เนี่ยก็จะหมดปีงบประมาณเลกที่ไม่ได้กินนมเลย มันขั้นตอนมันเยอะแยะมันลาชา้าไปมาเงินงบประมาณสามล้านบาทที่จะมาเลี้ยงเด็กอาจจะต้องส่งคืนเด็กเลยไม่ได้กินนมขั้นตอนอะไรมันมากการปฏิบัติอาจจะเหมือนกันบางรูปบางนามอาจจะมีขั้นตอนลีลีผงขวางลีลีผงขวางอยู่ บางที่กยความคิดเนะี่ยแต่บางทีเราไม่งานในการก็เอาออกหน้าออกตาในความคิดเราหน้าออกตาในความคิดให้ในการกระทําเกิดขึ้นยังไงยังไงพวกเราก็ให้การกระทําให้มันเกิดขึ้นให้ได้ให้การกระทําเกิดขึ้น อย่าให้ความคิดเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มันเคยยิ่งใหญ่มานานแล้วยี่สิบสามสิบปีอะไรก็มีความคิดทั้งหมดวันนี้ให้มีเกิดกันให้เกิดในการกระทําขึ้นการกําหนดการเจตนาที่จะลูกตั้งตรงนี้ให้ได้จุดนี้เป็นจุดที่ไขกุญแจแก่โซ่เป็นจุดที่ปลดปล่อยเป็นจุดของการศึกษา เข้าให้ถึงจุดนี้ให้ได้ในการใช้ชีวิตประจําวันการปฏิบัติในชีวิตประจําวันก็มีก็มีสติเวลาการใช้ชีวิตเวลายืนเดินนั่งนอนตอนนี้อย่าไปให้มันมากกว่านี้ไปอย่าไปคิดถึงการถึงงานอย่าไปคิดถึง อ, อะไรทั้งหมด มีแต่ความรู้สึกตัวอยู่ที่ยืนเดินนั่งนอนละเหยียดเคลื่อนไว้ก็มีถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ยังไงชีวิตจำมันพระพเจ้าก็ตอว่าไม่เจอมีสติอยู่กับการยืนเดินนั่งนอนตลอดชีวิตไม่มีเลยมากแล้วก็ตรงนี้แหละเราพยายามปลูกสติลงไปยิ่งพวกเรามีรูปแบบ การเจริญสติแบบการเคลื่อนไหวมันก็ยิ่งเสริมสร้างเติมเพิ่มทำเพิ่มคุณภาพเข้าไปเร่งเข้าไปรูปแบบของกรรมาฐานทัวทวไปมันเป็นการเร่งการผลิตให้สติมโกตามแล้วก็ยิ่งพิเศษไปเป็นกรณีพิเศษเข้าไปนั่งก็ไม่ได้นั่งเฉย รู้สึกตัวจับบ้างละเอียดบ้างการเดินเทศนาเป็นเรื่องของการยากเป็นบรรจงของการสร้างสติการยกมือเคลื่อนไหวเป็นบรรจงของการสร้าง ส, างสติลมหายใจบ้างถ้าให้มีสติกำนานการไปดูลมหายใจมันจะจะไม่ค่อยบรรจง จะทะเลทลายง่ายเหมือนไม่มีบรรทัดมันหัดเขียนหนังสือไม่มีบรรทัดอาจจะหลับอาจจะง่วงง่ายขึ้นบ้างลงบ้างแต่ถ้าเจตนาสร้างจังหวะเอารูปแบบของกรรมาฐานแบบหยาบๆหรือแบบตามหลักของพระพุทธเจ้า กายานุปัสนาเนเอากายทั้งดุน่นทั้งก้อนเนี่ยแหละเอาเทวานที่มันเกิดอยู่ที่กายเนี่ยทั้งดุน่นทั้งก้อนมากาหนดมาสร้างมันจะเรียกร่องความรู้สึกตัวได้ดีลองทำดูก็ได้ทีมดูสัมผัส ด, ดู ใดๆที่เรากําหนดการเคลื่อนไหวอ่ามันเป็นยังไงเดินจงกรมเป็นยังไงบางทีเราเดินมันคิดมันคิดเก่งดีแล้วมันคิดก็เห็นมันคิดก็ดีแล้วควรมันจะได้ดูจะได้เห็นมันบางทีมุ่งมันมุ่งเก่ง <Okay. S 2> อ่าบางทีเราก็มองในแง่ดีดีจะเห็นมัน้ย หเห็นความม่วงมันไม่ใช่จะให้มันลูซ้ ซ, ซื้อไปตะพึดตะพึ่มันเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยมีประสบการณ์ดีเราได้แก้ความม่วงเราได้เห็นความคิดมันก็สนุกไปในตัวแั้นก็มีเท่านั้นนะ่ะสิ่งที่มันจะเกิดผ่านหน้าให้เราเห็น เป็นของจริงเป็นของที่เป็นเรามีสติทํำยังไงเกี่ยวข้งวปปอง ก, งกับความคิดเป็นยังไงเกี่ยวข้องกับความง่วงเป็นยังไงมันผ่านหน้าให้เห็นตัวสติเมื่อมันเห็นความง่วงรู้สึกเข้าไปแจะให้สติอันเดียวเกี่ยวข้องกับความควมง่วงมัน ก, ก็เก่งขึ้นเรื่อยเกี่ยวข้องกับความคิดถ้าจริงเรานี่ไม่มาผ่านหน้ามันจะเก่งได้ยังไง มันก็ไม่มีบทเรียนมันก็ไม่มีประสบการณ์จยปฏิเสธบางทีนักปฏิบัติปฏิเสธเิงเหล่านี้พอความง่วงก็อ่อนตัวไปเลยเพราความคิดก็ทำให้หลงไปเลยคิดมากๆก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาทำให้เกิด ความเบื่อความไม่อยากปฏิบัติตัวอะไรก็ไปไม่ดีไม่ถูกเลยทั้งหมดก็ไป้ยกับความคิดขับหบานไปไหนมาไหนก็ไม่รู้บางทีไปเอาอันื่นมาวัดเอาอากาศเอที่อยู่เอาอาหารเอาเผื่อนเอามิดมาวัดเอเป็นเครื่องตัดสิน น, นันก็ไม่ถูก ทำตนเหมือนดอกบัวเหมือนบัวแม้เกิดอยู่ในน้ําก็ในโครนก็ไม่ต้องติดนะ้ำสติก็อย่างนั้นจริงสติเหมือนกับใบบัวดอกบัวไม่ติดอะไรที่จะเห็นสัมผัสดูไปดูไปจุดที่เรเป็นจุดที่ที่จะต้องชนเหมืนให้ได้อย่าปฏิเสธจานี้ปรากฏการปรากฏการมันเกิดลายสัญญานี้ ถ้าจะหนี้ก็หนีการปรุงการแต่งเปลี่ยนให้ได้แช้่ให้ได้เปลี่ยนไวไวการปรุงการแต่งตัดไวไวเกี่ยวข้องกับมันไวไวจะให้มันเลื่อนชาอันนี้มันชอบนะความปรุงแต่งมันให้โอกาสอลไรเนื่อนชาไป เรานั่งสร้างสติเรานั่งสร้างจังหวะเคลื่อนไหวไปมาอยู่อางทีมันไปชิดปรุงแต่งขึ้นมาไปต่างๆตัดเลยเข้าไปถูกสติให้ไว้ตรูดตัดรูดตัดตัวรู้เราก็เห็นอยู่แล้วเราสัมผัสอยู่แล้วตัวหลงเราก็เห็นอยู่แล้วสัมผัสอยู่แล้วเห็นการปรุงแต่งเห็นสังขารเอาไปมาเห็นสมุทัย แน่นอนตัวนี้คือตัวสมุทัยตัวนี้คือตัวสังขารตัวนี้คือวิชาตัวนี้คืออวิชาตัวนี้คือมัดมัก็ตัดสินใจเข้าไปสัมผัสตัวมันก็เลยหลักไปเรื่อยๆไปอต่นี่คือสติมันหลงจุดนี้มันลูกก็ลูกจุดนี้วิีที่จะเปลี่ยนตรงหลงก็จุดนี้ มันก็รูจุดรู้หลักอะไรบ้นงเห็นหลักมันก็โอ้ศึกษาตัวเองก็บางทีก็โอ้ได้ยิ่งไะ้พอใจได้คำตอบออกมาได้หลักอย่างที่พุทธวานเะเห็นโลกเห็นนามก็ยิ่งได้หลักเข้าไปแล้วว่ได้หลักยึดหลักฐานได้มัดได้นะมัด แั้วก็เขาสอบสวนคดีต่างๆถ้าไม่สุขุมหลอกคอก็ไม่รู้วันนะหลอกตาเราได้คนที่รู้อะไรดีๆมันก็สามารถที่จะหลอกตายควาผิดให้เป็นถูกทําถูกให้เป็นผิดตายแตถ้าเราไม่สุขุมหลอกคอกไม่ดูจริงๆมันจะไม่เห็น ก็เลิดลออกไปเวลาเราจเจริญสติอยู่มันมุวงอย่างแ น, นะก็จะทำอ่อนแดกับมันให้มีความเช่มแข็งเราจะยกของตรงมีจังหวะตรงมีท่าทางเราจะตัดใต้ ก็ต้องมีท่าทางมันโกงจะขึ้นบนขึ้นสูงจะลงต่ำต้องมีจังหวะท่าทางหัดใช้ท่าทางเกี่ยวกับมันพอง่วงไปอ่อนแอก็ไม่ได้พอมันง่วงก็รับตาให้มันไม่ปลุกตัวเองมันก็มันก็เป็นเรื่องยากไปซะแต่ถ้าเรา เอาจริงๆฝุกมันจริงๆมันก็เปลี่ยนได้มันก็พ่อแม่เลี้ยงเด็กเด็กหกล้มบางเพาะบางครก็โอ้เรไปอบกอดเขาบอกเขามันลุกลองดูเด็กมันทำท้องตกต้องบอกเขามันเจ็บลองดูมันทำหน้าหกให้เอาผ้าไปเช็ดดู แต่กก็ เ, เกิดความเข้มแข็งการสอนเตียงก็เหมือนกัน น, นีมันอ่อนแอยิ่งทําไปก็ยิ่งอ่อนแอเขมี่ไม่สู้มันไม่สู้มันไม่แต่หนีไ ม, ม่แต่ยอมประชัยป่ายแพ้แต่เราสอนเตียงให้สู้ลองดูมันมงงเกิดก็มาจิ้มในใจ อะไรเยอะๆคนบอเวลานี่ไม่ใช่เวลานอนเวลานี่เป็นกล้งวันอะไรละ่ะ <c oughs> ลุกขึ้นเปลี่ยนทันทีทักทันทีเปลี่ยนอารมณ์ให้ตัวเองยิ่งไม่ใช่อ่อนแอหมดตัวปวกเปียกไปเลยมันก็ไม่ไหวถ้าเรานอนเพียงพอหรือว่าเราทำงานมากเราสร้างจังหวะเราเดินสามชั่วโมงจนขาแตก ตรนนั่งมาตั้งแต่เ้าจนถึงเที่ยงต่างจังว่ามาตั้งแต่เที่ยงเราก็เดินเดินจนถึงสามโมงสี่โมงบ่ายเออมันก็ของทีมันก็หมดแรงขอพักผ่อนอย่างชัยชนะกาจะนอนก็ได้รนบทนอนเป็ น, นริบทที่สะดวก สะดวกในความรูม้สึกตัวก็ไหมไม่ใช่สะดวกแบบหลงไม่ใช่สะดวกแบบหลงกอดูดตัวตัวเองแล้วเปลี่ยนไปนอนไปอ่ให้หลับสักหน่อยยี่ยไปสักหน่อยสบายๆการนอนในเวลาเราทํางานเหนื่อยมันก็ภูมิใจนะแล้วพอเราทําอะไรมันเสร็จมาเราพักผ่อนหน่ยมัน ไม่ใช่เรื่องเสียหายไม่ใช้เรื่องเสียหายเดินราไปนาไปหาดูนาไปดูน้ํา ม, มาเราตั้งสี่สิบไลนในขณะเยอะแยะดูทุกแง่ทุกมุมเดินไปได้อัดตรงนั้นได้ปิดตรงนี้ได้เปิดตรงนั้นไปสับอนนั่นเลยเดินไปชัวงงช่วโมงสองชั่วโมงก็จะเสร็จ ที่ตรงแบกดินไปอะไรไปไปิดน้ำเสร็จเรียบร้อยเอาตรงนั่นเอาตรงนี้เสร็จแล้วเออล่างจอบล่างเสียบอาบน้ำอาบถาขึ้นบนเทียงนานอนทัยจางสุขสบายที่สุดเพราะเพราะเราทำงานสำเร็จมันไม่ใช่ พอไปถึงมาไปนอนเลยอันนั้นไม่มีการโผล่ใจงานไม่ได้ทเอานอนออกหน้ามันก็ไม่ดีมันไม่มันไม่ถูกการทํำความเพียนก็เหมาอนกันเรานอนก็ไม่เป็นไรเรานั่งก็ไม่เป็นไรลรายืนก็ไม่เป็นไรแล้วเราหลีกหลีกเล่นเล่นเอาเพียวเส้นทางเดินจังรยานเดินตามป่าอย่างมี้สติไปยืนตรองนั้นเดินต้องห น, นันมีสติไปก็ไม่เป็นไร เดินไปดูเพื่อนเห็นเพื่อนทํำก็เพื่อนอยู่อ่าวเราก็กลับมาเอาเป็นเยี่ยงเป็นอย่างเอาเพื่อนเราก็เออเพื่อนเราก็ลุกเม <c oughs> ื่อวันทีสมัยผมไปปฏิบัติทร ง, ทงกุเทียนวัดมันก็กติมันก็ไม่ห่างกลกันเห็นแสงกระเกียงเห็นแสงเทียนสลัวมองไปสติเพื่อน อ้าวเราจะนอนอยู่ก็ไม่ได้ก็ต้องลุกพอที่เพื่อนพารุกดึกอ้ก็ลุกกับเพื่อนเสียงเดินจังกลมตักตัตั ต, ต, ตัอ้าวเราจะนอนอยู่ก็ไม่ได้อาก็ลุกขึ้นไปเดินหมือกับเพื่อนจุดตะเกียงเดินเสียงน้ำข้างหล่น ป, ốc, ป ốc. ๊กป๊กตรงเลยเนี่เป็นน้ำหมอกมาก จะดูผลปลายๆน้าหมอกแสงไปฉลัวฉลัวน้าหมอกน้าข้างหล่นลงจากใบตองใบนั่นใบนี้พกแเสียงรองเท้าของของผูเทียนเดินจงกมของเพื่อนเดินทักทัแสงเพศแสงเทียนเกิดขึ้นตามกติต่างๆนี่เป็นเสียงแวดล้อมทำให้เรา จะตืรือล่อนเอาเยี่ยงเอาอย่างไปตัว เ, เป็นแบบเป็นแผนไปเดี๋ยวก็เพื่อนต่างกระทําของเพื่อนก็ช่วยเราทําให้เกิดความพยายามก็ไม่ต้องกลัวบางคนกลัวนือ่อาจารย์ลงไปเดินผมสู้ผมสู่ก็ไว้ ออกปากง่ายง่ายมันก็ใช่ไม่ได้ต้องสู้ต้องทำไปทำไม่ได้ก็ทำในใจเอาไว้อย่าให้มันอ่อนแอการฝึกตนฝึกให้เกิดความเข้มแข็งเข้าข้างความรู้จึกตัวที่ใดก็ตามอยหลุดจะหล่ลนออกถ้ามันยังไม่ได้หลัก มันจะเกิดความอ่อนแอง่ายๆทำไว้เอาเดือนสองเดือนไม่รู้อะไรมันจะอ่อนแอจะไปประเมินผลจะไปวัดไปเหวี่ยงจะไปประเมินผลบางคนบางผู่บางคนมันไม่ผุดผัดมันไม่โลดผลบางที่าจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราไม่รู้ไม่ให้โอกาสค่อยเปลี่ยนไปเรื่อยๆไป เราจะไปเอาจังใจเราฟังอย่างก็ไม่ได้จะรู้ว่านั่นอันนี้วันที่เราไปจำว่าคํำพูดของครัวอาจารย์มันรู้ว่านั่นมันรู้อ่นนี้เวลาไปเราคํำพูดของอาจารย์มาวัดกับตัวเรามันก็ไม่ถูกพี่จิ๋นเราก็ค่อยเรียกไม่รู้อย่างไรเรายกมวขึ้นเราก็รู้มันคิดก็เห็นไหมเห็นดีแล้วเห็นมันคิดแต่ก็อนเราไม่เคยเห็นมันคิดออกเราคิดขึ้นมาเห็นอ่ะดีแล้ว มันลงเราเห็นมันดีแลยอ่ะเราก็ดีกว่าแต่ก่อนบางทีเราก็ประเมินโลกระได้เล็กๆในน้อยเราเป็นเรื่องที่ภูมิใจผมม่าเห็นมันคิดเนี่ยไม่ใช่เห็นความคิดแปลอาการเกิดดับเห็นความคิดที่มันเกิดขึ้นธรม ร, ธรมดาๆธรรมดานี่ใจทำไมเคยเห็นความคิดตัวเองโอ้ตัวคิดเป็นตัวหนึ่งนะ มันการเคลื่อนไหวอยู่นี่แต่ตัวหนังตัวรู้สึกที่ดูทุ่งมันเคลื่อนไหวก็เห็นเวลามันคิดเห็นเลโอ้มันคนละอ่านกันเี่จะแยกตัวเองเป็นมันคนละนจริงๆริมันไม่เห็นว่าจี้เราลู่จังหวะเราเราอยู่อยู่ดีๆมันทําไมไปคิดไปนน่นหรอก็เห็นโอ้วันที่เสียงรถเสียงห่าวทำให้เราไปหารเสียงรถเสียงห่าวดีกลับมา เดเรื่งงูมาเอาไปคิดกลัวเรื่องงูเหรออ้าวมันก็ดีเดเรื่อเพื่อนเดินมาทําให้เราหลงเชิงว่าหลงคิดไปอ้าวมันก็ดีเดเเสียงรถคังตีเต้นๆตกใจตื่นตัวอ้าวมันก็ดีเอ่มันไปโน่นไปนี่มันไม่แก่กล้ามันคอยที่จะหวั่นไว้ เอไม่ดีบางทีมันกลัวเดินไปกติไกลๆมันชีดกลัวขึ้นมาอ้าวมันก็ชิดเองละลูจับหน้าลูกับตาประสบการณ์กับความคิดบ้างกับอะไรต่างๆกับเสียงกับรูปกับเป็นอะไรบ้างก็ลุ่มไปมันคนละอันจริงๆสิ่งที่ทําให้คิดนี่เยอะแยะสิ่งที่ทําให้ลูกกับนี่สิ่งที่ทำให้หลงก็ไนี้ สิ่งที่ทำให้ไม่ล้มก็เนี่ยผมเห็นใจลูกไปแต่กอนมันเป็นตัวเป็นตนอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปเพ่งใจร่อนการปฏิบัติธรรมเราก็โล่ยู่ดีๆนี่ละอย่าไปประเมินผลเหมือนกับไคยยินเคยฟังมาใน ล, ลูกอะไรมันเปลี่นยางงานอย่างนี้มันสูส่าอย่างงดอย่างนี้อย่าไปคิดอย่าไปเอาคนอื่นมา เป็นกฎเป็นเจณฑการบรรลุธรรมการเข้าถึงธรรมมันอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะต่างกันในบางทีเราไปรู้ลูบนามบางคนที่จริงมันรู้อยู่เราไม่รู้ใจรักที่จริงมันรู้อยู่เราไปรู้สมมติมันรู้อยู่เราไม่รู้ทุ ก, ก็รู้อยู่เราไม่เคยออกแกทุกข์เป็นบางทีมันออกอยู เราเนแต่ทุกต้องเกิดแต่เกิดจนตายไม่อยู่ได้ยังงก็ตายไปแล้วเราก็หลุดมาไล่อ่อเราก็มีธรรมอยู่แต่ก่อนอยู่แล้วมีสติอยู่แล้วเราทําอยู่แล้วเราปฏิบัติอยู่แล้วเราก็โูดอยู่แล้วเราไม่รู้เราไม่พอใจจะไปให้เป็นหมวนกับําหลักทำลาย เป็นพวกลม่ชานแล้วก็ชี้ว่าโอ้เข้าชานคงจะเป็นยังไงนี่ที่จริงเราก็เข้าชานเราก็มีชานชานที่เรามีอยู่ก็คือสตินี่แหละเตยชานที่ที่สุดของชานก็คือมีสติสติอย่างดีเป็นมหาสติคุมอยู่จะมีสติมันไม่มแม้ไร หนึ่งเดียวถ้าพูดถึงฌานแล้วนัว่ามันคนละเรื่องเรทําอยู่นี่เราก็เล่นกับฌานเยอะรู้สึกตัวอยู่เพื่อนไว้เราที่สติอยู่นี่ก็มีสีนอยู่ถก็มีสติอยู่นี่เกิดนานู้อยู่นี่ก็มีสมาธิอยู่ถ้ามีสติอยู่นี่นนนเวลาใดที่มันหลงเราก็มีปัญญาอยู่ เมื่อมีสติเราก็มีมรรคอยู่แล้วใส่ใจดูอยู่เห็นอยู่เป็นมรรคอยู่แล้วความมีมร ก, ก็เป็นในโลดมันก็หลุดพ้นอยู่แล้วแเราได้ทำในเรื่องสตอยู่แล้วเราได้เห็นทุกเห็นสมุทยัยเห็นในโลดเห็นมรรคเราได้ทำอยู่คนมีสติมันย่อมาให้เราทาอยู่ทุกอย่างอยู่ในเอ่อ อริยสัจสี่อยู่ในองค์มรรคอยู่ในฌานอยู่ในญาณอยู่ในศินอยู่ในสมาธิอยู่ในปัญญาบางคนไม่เอาตรงไหนจะไปให้เป็นเหมือนครูบาอาจารย์เหมืนอาาม น, มนอาจารย์นันโพูดเหรืออาจารย์ไหนพูด์ออกหนีจากตัวเตัวทําผูกแท้ๆไปอย่างหนี้ไปก็คนกําลังปรับดมนาอยู่ ลุกนี้จากหน้านาเกี่ยวข้าวอยู่ทีีทททลุกหนีไปไปคิดถนนอนี้ไ ป, ไปนห น, น, ปนีการนีงานอะไรมันก็ไม่เสร็จแล่ะหรือนนเราทำถูกอยู่แล้วเพื่อนไว้ไปมาไม่พอใจไม่สันโดษไปเอาอันนั้นให้เป็นมืากับตัวเองคิดบางทีเอาตัวความคิดตัวเองเป็นกดเกณฑ์่ฤอาการการทาเป็นกดเจนเนี่ยอันนี้มันก็ไม่รู้ตัวเองอ มีสติอยู่นี่ก็คงพอใจเถิดก็ยินดีอันนี้แหละรู้วอยนี่ะนะไอตองโลกมันโลกปุ๊บพั๊บุ๊บปับเป็นโลกโอ้โลกนั่งอยู่โน่นอะไก็แลเทียนเคยสอนเขาโูกมาให้ดูนี่คืออะไร